เรื่องวิญญาณพยาบาทจากนิตยาสารเฟสฉบับเดือนกันยายนพุทธศักราช2513หมายเหตุผู้แปลเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ให้หลักวิชาเกี่ยวกับการสู้กับผีได้เป็นอย่างดีและข้อสำคัญก็คือหลักการดังกล่าวนี้ก็มาตรงกับของพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่ น่าเสียดายที่ผู้บรรยายเรื่องนี้ในภาคภาษาอังกฤษไม่ได้ใช้ชื่อจริงและชื่อของบุคคลในท้องเรื่องก็เป็นชื่อสมมุติอีกด้วยแต่หลักการที่กล่าวไว้ในเรื่องนี้เป็นที่น่าสนใจมากข้าพเจ้าตัดสินใจแปลเสนอท่านผู้อ่านก็เพราะเหตุนี้เพราะรู้สึกว่าความจริงของเรื่องเช่นนี้น่าฟังมากส่วนท่านจะเชื่อหรือไม่และเพียงใดก็สุดแล้วแต่ความสามารถในการรับของแต่ละบุคคลสิริพุทธสุข วิญญาณพยาบาทบุคคลในเรื่องนี้ได้ถึงแก่กรรมไปแล้วทั้งคู่แต่ข้าพระเจ้าขอสงวนชื่อเขาไว้เป็นส่วนตัวก่อนเพราะเขาเป็นผู้มีอาชีพอันมีเกียรติซึ่งญาติพี่น้องอาจคิดว่าเป็นการไม่สมควรที่จะนำชื่อของเขามาเกี่ยวข้องในเรื่องวิญญาณซึ่งเป็นเรื่องลึกลับที่ยังพิสูจน์ไม่ได้ เรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อหลังจากสงครามโลกครั้งที่สองแล้วไม่นานโดยเป็นเรื่องเกี่ยวกับสามีภรรยาคู่หนึ่งสามีชื่อคานและภรรยาชื่อเกรเชนฝ่ายสามีเป็นผู้มีร่างกายกำยำแข็งแรงส่วนภรรยานั้นในระยะหลังๆปรากฏว่าเป็นผู้อ่อนแอซูบซีดลงเรื่อยๆจนกระทั่งในที่สุดเธอก็ไม่สามารถทำหน้าที่ของแม่บ้านและภรรยาได้อีกต่อไป ซึ่งทั้งนี้รวมทั้งการสนองความปรารถนาของผู้เป็นสามีด้วยพร้อมๆกับที่เธอมีความพิการในทางร่างกายนี่เองเธอก็เริ่มมีอาการพิการในทางจิตด้วยคือปรากฏว่าเธอทำตนเป็นคนขี้บน่นขี้หึงและเอาใจตนเองมากขึ้นทุกทีแทนที่จะคิดเห็นอกเห็นใจผู้เป็นสามีเธอทนตกนรกทั้งเป็นอยู่ได้ไม่นานก็ตัดสินใจยิงตัวตาย ในวันแต่งงานของคารนกับเกรซเชนนั้นพวกเพื่อนๆของเขาได้นําของขวัญที่มีค่าในทางศิลปะชิ้นหนึ่งมาให้เป็นรูปวาดของคิวปิดและไซคี ey, ซึ่งเป็นเทพบุตรและเทพธิดาในนิยายโบราณนักดีซึ่งรักกันมากพวกเพื่อนๆได้นํารูปอันสวยงามนี้แขวนไว้บนฝาผนังที่หัวเตียงของคู่บ่าวสาวและได้ให้พรเป็นทานองว่าให้ทั้งสองคนรักกันเหมือนเทพบุตรและเทพธิดาในนิยายนั้น รูปนี้ได้แขวนไว้ที่นั่นเรื่อยมาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายแห่งชีวิตของเกรซเชนคือในวันนั้นคารได้ยินเสียงปืนลั่นจึงเข้าไปดูในห้องนอนก็พบว่าภรรยาของเขาใช้ปืนยิงสีษะตนเองตายซสแล้วบนเตียงนอนคารมีความเศร้าโศกมาก และเนื่องจากไม่สามารถจะทนอยู่ในบ้านเดิมได้จึงได้ย้ายไปอยู่ที่อีกเมืองหนึ่งต่อมาเขาได้พบกับมาทาซึ่งเป็นหญิงอเมริกันผู้มีเสน่ห์น่ารักทั้งสองรักกันและได้แต่งงานกันเมื่อประมาณปีคริสตศักราช1920ต่อมาคารได้รับแต่งตั้งให้มีตำแหน่งที่สำคัญในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงแห่งหนึ่งในสหรัฐ เขาทั้งสองจึงอบพยพมาอยู่ในสหรัฐเซซเลยสามีภรรยาได้มาซื้อบ้านหลังหนึ่งที่ลองไอแลนด์และได้นำเครื่องของใช้บ้านหลังเดิมติดตัวมาด้วยเป็นบางอย่างในจำนวนนี้ก็มีภาพวาดคิวปิดกับไซคีมาด้วยโดยได้นำมาแขวนไว้ที่ฝาผนังเหนือเตียงนอนของคานและมา่าภรรยาใหม่ของเขา นับจากวันที่ข้าพเจ้าได้พบกับคารในครั้งแรกจนถึงบัดนี้ก็เห็นจะกว่า25ปีแล้วในครั้งนั้นข้าพเจ้าทําการค้นคว้าในวิชาสาขาหนึ่งอยู่และคานเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขานี้ดังนี้เราจึงได้มีโอกาสรู้จักกันวันราที่ข้าพเจ้าไปเยี่ยมคานที่บ้านของเขาก็รู้สึกมีความผิดปกติบางอย่างวาบเข้ามาสู่ความรู้สึกในหัวใจ มันเป็นความรู้สึกที่ห่อเหี่ยวและเศร้าสลดอย่างบอกไม่ถูกทั้งๆที่บ้านนั้นก็มีเครื่องตกแต่งที่ดีและอยู่ในที่แวดล้อมที่ดีน่าจะทำให้เกิดความเป็นสุขใจอย่างยิ่งก็ตามตลอดเวลาข้าพเจ้าสังเกตเห็นว่าสองสามีภรรยาเกาะกันแจคล้ายคล้กับเด็กเล็กที่มีความหวาดกลัวอะไรที่ลึกลับสักอย่างหนึ่งฉะนั้น ต่อมาข้าพเจ้าได้ไปเยี่ยมเขาเป็นครั้งที่สองโดยได้รับเชิญให้ไปทั้งนี้ก็เพราะเรื่องร้ายแรงอย่างหนึ่งเกิดขึ้นแพทย์ของสามีภรรยาคู่นี้บอกว่าเขารู้สึกตกใจที่มาทามีอาการไม่ดีคล้ายๆกับว่าจะวิกลจริตและเขาได้แนะนำว่าควรให้ไปรักษาตัวโดยพักอยู่ที่โรงพยาบาลเลยทีเดียว ข้าพเจ้าได้ไปพักอยู่กับเขาหนึ่งสัปดาห์แต่ก็ยังไม่ทราบข้อความละเอียดนักเพราะเขาไม่ได้บอกอะไรให้ข้าพเจ้าทราบและดังนั้นข้าพเจ้าก็ยังไม่มีโอกาสให้ความช่วยเหลือแต่อย่างใด คำเตือนของปีศาจพอถึงวันเสาร์ตอนกลางคืนก็เกิดเรื่องซึ่งทำให้ข้าพเจ้ารู้อะไรได้เป็นเค้ารางๆในตอนนั้นข้าพเจ้ากำลังนั่งคิดทบทวนเหตุการณ์ต่างๆอยู่คนเดียวในความมืดในขณะเดียวกัน ก็มองออกไปนอกหน้าต่างจ้องดูแสงจันอยู่คนเดียวจนรู้สึกเคลิ่มเคลิ้มในขณะนั้นเองข้าพเจ้าก็รู้สึกขึ้นมาเองภายในใจว่ามีใครคนหนึ่งมาอยู่ใกล้ๆเมื่อเหลียวไปดูทางข้างๆก็ได้เห็นร่างจางๆร่างหนึ่งปรากฏขาวโพลงขึ้นมาในความมืดพร้อมกันนั้นข้าพเจ้าก็รู้สึกอ่อนเพลียเป็นอย่างมากเพราะพลังในร่างกายของตนเองได้ถูกดูดออกไป เพื่อให้ร่างนั้นปรากฏเป็นรูปหยาบขึ้นมาในตอนนั้นข้าพเจ้าไม่ได้ขัดขืนเพราะอยากจะลองดูว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นเมื่อร่างนั้นค่อยๆประกอบเป็นรูปหยาบขึ้นข้าพเจ้าก็สังเกตเห็นได้ว่าเป็นร่างของหญิงผู้หนึ่งรูปร่างผอมสูงและขาวซีดหน้าตาขึ้งเครียดแสดงถึงความโกรธแค้นอันสมอยู่ในดวงใจอย่างรุนแรง แกเข้ามายุ่มยามที่นี่ทำไมร่างนั้นได้กล่าวขึ้นรีบกลับไปเสียในขณะที่แกยังกลับได้กลับไปเสถอะเจ้าผัวเมียคู่เนี้ยมันกำลังรับกรรมที่มันได้ก่อขึ้นถ้าแกมายุ่มย่ามด้วยอีกคนหนึ่งแกจะต้องโดนดีว่าแล้วร่างนั้นก็จางหายไปวันรุ่งขึ้นในขณะที่รับประทานอาหารเช้าด้วยกัน ข้าพเจ้าได้เอ่ยกับสามีภรรยาว่าเมื่อคืนผมพบปีศาจตนหนึง่งดูท่าทางเขาไม่ชอบผมเลยนะเขาบอกให้ผมไปใพ้นจุดที่เนี่ยคุณรู้มะว่าปีศาจตนนี้เป็นใครพอได้ยินเช่นนี้มาทาทำท่าคล้ายสะอึกต่อจากนั้นก็ท่องคาถาพึมพำส่วนคารพูดใบเบี่ยงไปว่าข้าพเจ้าคงจะตาฝาดเห็นอะไรเป็นปีศาจไปเอง หลังอาหารเช้าแล้วข้าพเจ้าก็เตรียมตัวจะออกเดินทางกลับคานได้เอ่ยกับข้าพเจ้าว่าคุณจะอยู่ต่ออีกสักประเดี๋ยวได้ไหมผมจะเล่าเรื่องปีศาจนั้นให้คุณฟังเสหน่อยต่อไปนี้เป็นเรื่องราวแต่หัหลังของคาน ครั้งแรกผมได้แต่งงานกับเบรชเชนหลังจากแต่งงานกันแล้วไม่นานเธอก็กลายเป็นคนอ่อนแอหมอบอกว่าเป็นโรค ก, กล้ามเนื้อไม่มีแรงผมเองก็ไม่ทราบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรแต่ต่อมาปรากฏว่าเธอกลายเป็นคนขี้หึงและอารมณ์ร้ายแรงโดยไม่มีเหตุผลในที่สุดเธอก็ยิงตัวตายต่อจากนั้นผมก็มาแต่งงานกับมาทาเราได้ย้ายเข้ามาอยู่ในบ้านใหม่เนี่ยใน ต, ตอนแรกๆก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้น จนกระทั่งถึงวันครบรอบการแต่งงานครั้งแรกของเขาก็เกิดเรื่องพอดีตอนนี้มาทาเป็นผู้เล่าวันนั้นคานกับดิชันกัโครงการกันว่าจะออกไปเที่ยวเล่นในอ่าวดวเรือของเราแต่แล้วก็ปรากฏว่าเรือรั่วเครื่องยนต์ก็สตาร์ทไม่ติดคนคุมเครื่องก็ป่วยมากับเราไม่ได้อีกดังนั้นเราก็ตกลงเลิกแผนการและกลับบ้านกันคารได้กล่าวเสริมในตอนนี้ว่า คุณรู้ไหมว่าเรื่องนี้มีสาเหตุจากอะไรหลังจากนั้นผมได้ตรวจดูเรือลำนั้นก็ปรากฏว่าลิ้นกันน้ำทะเลเข้าได้เปิดออกคล้ายๆกับมีคนมาแกล้งเปิดไว้อย่างนั้นแหละที่จริงก็เคลาอย่างดีที่เรือยังไม่จมอันที่จริงวันนั้นเราอาจจะนำเรือออกไปเองก็ได้ถ้ามาทาไม่เกิดปวดหัวซะก่อนเราเลยตกลงกลับบ้านกันมาทาเล่าต่อไปในตอนนี้ว่าฉันเกิดปวดหัวเลยกลับบ้าน ฉันทำอาหารกลางวันไว้แต่คานก็ไม่มาทานด้วยกันจนกระทั่งอาหารเย็นชืดหมดวันนั้นฉันโกรธมากคานก็โกรธมากเราสองคนทะเลาะ ก, กันใช้ถ้อยคำแรงๆต่อ ก, กันอย่างขนานใหญ่จากนั้นก็ทำปั้นปึงต่อกันไปหลายชั่วโมงแต่พอถึงเวลาอาหารเย็นเราก็ดีกันและช่วยกันเตรียมดินเนอร์ไว้รับประทานด้วยกันเราตกลงกันว่าจะหาแชมเปญดื่มสักเล็กน้อยคานได้ลงไปในครัวเพื่อจะเอาแชมเปญขึ้นมา ส่วนฉันก็หยิบเอาแก้วเหล้าเจรานายออกมาเตรียมไว้ขณะที่ฉันกําลังจะวางแก้วเหล้าแก้วหนึง่งลงบนโต๊ะนั่นเองก็ปรากฏว่ามันกระเด็นหือหลุดจากมือของฉันไปและลอยเข้าไปโดนถูกฝาห้องเข้าทําให้แก้วแตกละเอียดไม่มีชิ้นดีคานได้เล่าสอดแทรกขึ้นมาว่าตอนนั้นผมคิดว่ามาทา ย, ยังไม่หายโกรธผมและกําลังจะต่อว่าเธออยู่ ล, ละก็พอดีแก้วเหล้าอีกใบหนึ่งกระเด็นหือตรงมายังผม เียศีรษะไปกระทบกับฝาห้องแต่กระจายคราวเนี้ยผมเห็นถนัดตาเลยว่าไม่มีใครได้แตะต้องแก้วนั้นเลยต่อจากนั้นพอถึงวันครบรอบการแต่งงานของเราเรื่องก็จะเป็นเช่นนี้แหละมาทากล่าวต่อไปคือจะต้องมีเรื่องร้ายเกิดขึ้นทำให้เราทะเลาะ ก, กันจนได้และต่อจากนั้นก็ทำให้เราต้องโกรธกันไปจนตลอดคืนตอนหลังเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าเป็นเกรเชนนั่นเอง กานกล่าวขึ้นไม่ว่าเราจะรักอะไรเรดเชนจะต้องหาเรื่องแกล้งเราจนได้เช่นถ้าเรามีสัตว์เลี้ยงอย่างใดที่เรารักมากไม่ช้ามันก็ต้องตายต่อมาเราสองคนก็เจ็บอดอดแแอ ด, แอดสาวันดีสวันไข้แต่ผมรู้ดีว่านังเนี่ยมันยังไม่ฆ่าเราหรอกเพราะมันต้องการจะให้เราทนทุกข์ทรมานต่อไปนานๆขอให้มันตกนรกอย่าได้รู้ผุดรู้เกิดเลย